บุ Book ๊กทูห้าสิบแปดหิอวัยวะครอบส่วนผมวาดรูปผู้ชายอยากใช้หน้านเริ่มจากศีรษะก่อน First h e a ผู้ชายสวมหมวกมองไม่เห็นเส้นผมมองไม่เห็นหูด้วยมองไม่เห็นหลังด้วยผมกำลังวาดตาและปาก อย่ใช้นนนมุนผู้ชายคนนี้กำลังเต้นรำและหัวเราะมนนดันซ์แเลียผู้ชายคนนี้มีจมูกยาวมนน์มีหลังนีสเขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขาเขามีหอก เขามีผ้า พ, พันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วย Han har มันเป็นอคลุมหัวหัวข้อวข้อหัวอหัวข้อหัวข้อหัวข้อหัวข้อหัข้อหัวข้วขขขขข้ว ผู้ชายคนนี้ทำมาจากหิมะมันนเอร์สเลเขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคลุม่มกแลุ่ม เ, เแตขา่กเขาไม่กาไม่หาวาส่วเเสัเขา่คเขาือคุกกือุาไมมกะามะ แฮนด์สเนม